ของกอฟพอเลยนะในยกมือขอดูหน้าหน่อยกอฟะพอใช่วยกมือนิดหนึ่งค อ, อ, อสมีเวลา3วัน2คืนใช่ไหมเป็นคอสกรรมฐานที่สั้นนะสั้นกระชับมาก แต่เวลาสวันสองคืนเนะี่ยถ้าจะเรียนกรรมาฐานจริงๆนะก็ถือว่าไม่น้อยยิ่งถ้าเราจเจริญสติเป็นแล้วนะไม่น้อยเลยพระพทธเจ้าถึงขนาดเคยสอนนะว่าถ้าเรามีสติอยู่น ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่นะมีชีวิตยอยู่คืนเดียวแค่คืนเดียวนะีน่เราตั้งสองคืนสามวัน มีชีวิตคืนเดียวก็น่าชมลนะอยู่ในพัตเทกรัตตสูตรมีชีวิตยอยู่คืนเดียวก็น่าชมนะมีชีวิตยังมีคุณค่างั่นเรามาเติมคุณค่าให้ชีวิตของเราได้ธรรมะมาฟังให้เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติไป 2-3 สวันไม่น้อยหลักของการปฏิบัติไม่ยากอะไรนะพูดง่ายๆ ขั้นแรกพวกเราต้องรักษาศีลก่อนศีลจำเป็นมากเลยถ้าคนยุคนี้ดูถูกการถือศีลถือว่าเป็นเรื่องต่ำต้อยไม่เหมือนการเจริญปัญญายุคนี้ยกย่องปัญญาดูถูกศีลถ้ายุคโบราณนะดูถูกปัญญาด้วยยกย่องสมาธิยกย่องศีลกับสมาธิยุคนี้ยังยกย่องปัญญามาก สมาธิเริ่มรองลงไปศีลไม่ยกย่องบางคนดูถูกศีลถือเป็นเรื่องของคนโง่ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราถือศีลห้าไว้แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายธรรมะจะเจริญง่ายเพราะมีศีลมันก็จะมีธรรมํากับขึ้นมาด้วยอย่างถ้าเรารักษาศีลข้อหนึ่งเราไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทาร้ายผู้อื่น ทีแรกก็อาจจะแค่ข่มใจไม่ให้เบียดเบียนถ้ารักษาศีลข้อนี้ไปนานนะใจมันจะค่อยอ่อนโยนลงเราจะได้ธรรมะคือความเมตตากรุณาขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนหรอกยางเห็นแล้วมันน่าสงสารไม่รู้จะเบียดเบียนมันทําไมจะได้ธรรมะขึ้นมาด้วยเราไม่ขโมยใครไม่ลักทรัพย์ใครนะต่อไปเราก็มีศีลมีธรรมเราเป็นคนซื่อสัตย์ เราได้ธรรมะเราเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โลภมากพอใจแต่ของของตัวถ้ามีศีลแล้วก็ได้ธรรมะบางอย่างมาด้วยเราประพฤติศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามเราจะเป็นคนสันโดษกามตีความแคบแคบก็สามีพัญญาอนะไรไม่นอกใจกัน ก็ได้สันโดษเรียกสถารสันโดษสันโดษในสามีปัญญาของตัวเองกามทะตีิความให้กว้างขึ้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะทั้งหลายสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มายั่วอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความสำรวมระวังมันจะเกิดข้อดีใจนี่เจอไม่หมกมุ่นในกามกรรมอาคุณอารมณ์ ภาวนา ง, ง่ายนะฉันเบื้องต้นอาจจะรักษาศีข้อสไม่นอกใจสามีพัญญานะแต่ไปภาวนาไปเรื่อยพบว่ากรามไม่ใช่แค่เรื่องสามีพัญญากรมเป็นเรื่องความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะไม่มีความสำรวมระวังนะในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะ ใจสงบง่ายมัภาวนาต่อง่ายรักษาศาีลข้อสีให้ดีเราจะได้สัจจะเป็นคนมีสัจจะศีลข้อสี่แล้วคนมีสัจจะจิตใจสงบง่ายคนเพิรเจอร์คนฟุ้งซ่านสงบยากไม่ดีมีศีลข้อห้านะใจไม่ฟุ้งไปหลงสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นตัวทำลายสติฝึกไปเรื่อยนะฝึกไปเรื่อยสติดีขึ้นรักษาศีลรักษาศีลเนอนอกจากได้ศีลแล้วจะได้ทำบางอย่างมาด้วยจุดสําคัญก็คือได้สมาธิมาด้วยมีศีลแล้วก็มีสมาธิง่ายในสมัยพุทธกาลเห็นมีพระองค์หนึ่งบวชมานั่งสมาธิก็ไม่เป็นเดินจงกรมก็ไม่เป็น พิจารณาธาตุขันธ์ก็ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะพวกที่บวชรุ่นเดียวกันเข้าบรรลุพระอราหันต์ไปหมดแล้วองค์นี้ไม่ได้อะไรเลยท่านเสียใจเสียใจมากนีท่านก็เลยวันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองดีนะไม่มีปืนยิงหัวสมองนะนี่เอมีดโกนมาปาดคอปับเท่าให้แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอตลอดเวลาที่เราบวชมาเนี่ย ไม่มีความดีเลยจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่จริงตลอดเวลาที่บวชมาทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยแต่รักษาศีลเคร่งครัดที่สุดเลยนะอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามนะไม่ทำอะไรที่ท่านให้ทำนะก็ทำนะหลักของพระวินัยพระมีทั้งสองด้านนะอะไรที่ท่านห้ามแล้วก็ไปทำเข้าเนี่ยก็อาบัตินะอะไรที่ท่านบอกว่าควรทำแล้วไม่ทำนะก็อาบัติอีก นี่ท่านมาดูว่าท่านเชื่อฟังพุทธเจ้ามากเลยอะไรห้ามก็ไม่ทําอะไรให้ทําก็ทำา่านนึกได้ถึงศีลอันงามของท่านจิตใจท่านร่าเริงเบิกบานมากําลังจะตายแล้วจิตใจร่าเริงเบิกบานมาท่านเห็นมีสมาธิเกิดขึ้นจิตมีความสงบพอคิดถึงศีลได้จิตที่กําลังฟุ้งซ่านก็สงบลงมาเรียกว่าศีลานุสติศีลานุสติก็เป็นอนุสติหนึ่งในสิบข้อ ในกรรมฐาน40สข้อเนี่ยมีการระลึกถึงศีลที่รักษาไว้ด้วยดีนะข้อหนึ่งหนึ่งใน4ี่กรรมฐานที่ทำให้สงบท่านคิดถึงศีลขะท่านจิตท่านสงบเม่จิตท่านสงบจิตท่านมีความสุขนะมีความสงบอยู่จิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายกำลังจะตายจิตเป็นคนดูเสร็จแล้วก็ตายพวกพระก็ไปตรวนพระ เ, เจ้าพระนี่ฆ่าตัวตาย ตอนนี้ไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะพระพวกนี้ชอบถามนะในพระไตรปิฎกมีเยอะเลยชอบไปถามพระพุทธเจ้าคนนี้ตายแล้วไปไหนคนนี้ตายแล้วไปไหนถามเนืองนิดเลยนะรู้สึกเป็นแฟชั่นยุคนี้อย่าถามนะเราไม่มีพระพุทธเจ้าให้ถามเดี๋ยวถามอาจารย์นี้บอกไปตกนรกอาจารย์หนึ่งบอกไปขึ้นสวรรค์ไปกันใหญ่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองคนี้นิพพานไปแล้ว พิสูจทั้งหลายก็งงว่าฆ่าตัวตายทําไมนิพพานนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะต้องบอกคนาท่านนึกถึงศีลจิตท่านได้สมาธิจิตมีสมาธินั้นท่านเดินปัญญาต่อเลยท่านเห็นร่างกายจะตายจิตเป็นคนดูอยู่เห็นมีแต่กองทุกข์ในขันทั้งหลายนี่มีแต่กองทุกข์จิตท่านในขณะสุดท้ายที่ตายเนี่ยไม่ยึดถืออะไรเลยก็เป็นพระอรหรันต์องค์หนึ่ง เราอย่าดูถูกศีล น, นะศีล ส, สำคัญมากคนทุกวันนี้วุ่นวายมากโลกทุกวันนี้วุ่นวายมากนะทำร้ายเบียดเบียนกันตลอดเวลานะชกชิงกันตลอดเวลาผมเหงรังแกกันตลอดเวลาเพราะคนไม่มีศีล น, นะบ้านเมืองที่มันไม่มีศีลนะมันก็เป็นบ้านเมืองของสัตว์นรกเป็นบ้านเมืองของเปรตของอาสุรกายนะเป็นบ้านเมืองของสัตว์เดรัจฉาน เนรชานบางตัวยังรักษาศีลมีนะเนรชานบางตัวเป็นโพธิสัตว์รักษาศีลมีตัวอย่างด้วยคือพญานาคชื่อภูรลิทัตนะรักษาศีลเป็นศีลชั้นยอดด้วยสินะเป็นปรมัทบารมีนะพญานาคชื่อภูรลิทัตภู่ลิทัตโตไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรา หลวงพ่อก็เคยมีหมาตัวหนึ่งเลี้ยงหมาไหมหมาตัวนี้ถือศีลไปอุ้มมาจากจุลานะมันแม่มันออกลูกมาเยอะเลี้ยงไม่ไหวเลยเอามาช่วยมันเลี้ยงเลี้ยงไว้สักตัวกลมเลยเป็นหมาตัวเมียมันออกลูกมานะมีหมาหลงมาหมาลูกหมาหลงมานะมันให้กินนมด้วยไม่กัดนะไม่ทํำร้าย มันอยู่นกนกเลยเข้ามาใกล้ไม่กัดไม่ทำร้ายแมวมาก็ไม่กัดไม่ทำร้ายมากินข้าวของมันมันให้ทานกินข้าวของมันมันก็ให้ทานเวลาจะกินข้าวนะตัวอื่นมากินของมันนะมันให้กินก่อนนะตัวอื่นเลิกแล้วมันถึงจะกินรูมันขนาดนี้มันสร้างบารมีของมันเวลามันจะตายนะมันนอนตาใสแจ้วเลยมาตัวนี้มีสี่หลายข้อข้อหนึ่งเนี่ยเห็นนยไม่เคยทาร้ายใคร ไม่ขโมยนะเราของกินมาตั้งไวนะ้น้าลายไหลยืดเยืดก็ไม่กินนะต้องใส่จานของมันมันถึงจะกินส่วนข้อสามประพฤติผิดในกรามหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ตามไปดู <laughs> มันมีลูกเราก็ไม่รู้ว่าผัวมันเป็นหมาโสดหรือหมามีเมียแล้ว <laughs> ไม่รู้หมาจดทะเบียนไหมข้อสี่มูสาหมาตัวนี้ไม่มูสาไม่โกหก ไม่ห่าสเปสป่าไม่พูดเพรสเจอร์พวกเราถ้าเวลาพูดเพรสเจอร์นึกถึงหมาของหลวงพ่อตัวนี้นะมาตัวนี้ไม่พูดเพรสเจอร์วันวันนะสงบยิ้มอยู่อย่างนั้นไม่ห่าโบ๊กเป๊กวงเป๊กไม่มีหมาตัวนี้ไม่เคยกินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยนะไม่ติดยายาอะไรต่อยาอะไรไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้จักและวก่อนมียาอียาอะไรต่อยามายาบ้าอะไรก็เยอะแยะ ัม่สตว์ยัยงซือศีลเป็นนะพวกเราก็หัดไว้ถ้าเราได้ศีลเราจะได้ธรรมะบางอย่างมาแล้วเราจะได้สมาธิง่ายคนมีศีลจิตจะสงบคนทุศีลจิตจะฟุ้งซ่านเมื่อมีศีลแล้วต้องมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็คือให้มีสมาธิ น, นั่นเองสมาธิที่คนทั่วไปเขาเรียนกันเขาพูดถึงกันเขาวาดภาพไว้คือสงบ สมาธิสงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะอย่างอาราละดาบทุทกดาบท์เลยเนี่ยได้สมาบัติเจดสมาบัติ8ดเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนด้วยอาทิตย์เดียวนะจบหลักสูนยละได้ฌานแปดแล้วของเก่าของท่านท่านเคยทํามาแล้วแต่มันไม่ล้างกิเลสนี่สมาธิสงบมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขสว่างว่างสบายนะอย่างอาราละดาบทนะ ภาวนาไปจนจิตว่างไปเหมือนไม่ยึดถืออะไรเลยว่างออกจากสมาธิมันก็มายึดใหม่พุท ธ, ธกดาบทนะั้นภาวนาไปจนสัญญาแทบจะดับนะไม่มีการหมายอะไรพวกเราดูออกไหมจิตที่หมายรู้อารมณ์จิตมันชอบไปหมายรู้นะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะอะไรนะเที่ยวไปหมายหมายหมายที่ใดเป็นภาระทุกทีเลยพอหมายรู้เสร็จก็จะปรุงต่อปรุงสังขารต่อขึ้ไม่อีก ใจวุ่นวายนี่ฤาษีนี่ฝึกจนจิตไม่หมายอะไรนะความรู้สึกตัวเหลือนิดเดียวแต่ไม่ได้ขาดสตนะิก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะออกมาจากสมาธิกิเลสเข้ามาใหม่สมาธิไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยแบบนี้นี่บางคนว่าสูงส่งนะหลวงพ่อก็บอกว่ามันต่ำต้อยทำไมมันต่ำต้อยเพราะพวกนี้ตายในสมาธนะิไปเกิดในรูป ป, รปัรฉ์ พระสียานมาตรัสหรือพระโคดมของเรามาตรัสสรเป็นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงท่านอยากไปสอนสอนไม่ได้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นไม่มีกายฟังธรรมไม่ได้เลยฟังธรรมะไม่ได้ท่านถือว่าพลาดจากคุณอันใหญ่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่แปล ง, ง่ายว่าชิบหายแล้วบอกตอนเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านะ แล้วอยู่มา49วันนะพิจารณาธรรมะสเสรวมิมุติสุขเสร็จแล้วจะเริ่มสอนนท่านพิจนาดาบทสองคนนี้กิเลสเบาบางอยากไปสอนตายซะแล้วไปเป็นอรู ป, ประพรหมนะท่านก็อุทานชิบหายแล้วพลาดจากคุณอันใหญ่แล้วอกหมดโอกาสที่จะเรียนธรรมะแนละ้วงั้นถ้าพวกเราอยาํทำสมาธินะก็อย่าให้ถึงขนาดเข้าอารูปนะ เป็นพรมมีร่างกายยังมาฟังเทศได้เป็นพรมไม่มีร่างกายมาฟังเทศไม่ได้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีอะไรมันพิการไปซะห้าอายตนะคนตาบอดดีไหมแต่บอดว่าไม่ดีหูหนวกก็ไม่ดีนี่ทั้งตาบอดทั้งหูหนวกลิ้นก็ไม่มนะีความรู้สึกทางกายก็ไม่มีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อนะไรอย่างนี้อายตนะบอดไปทั้งห้านะอย่าไปเสียเวลาอยู่นะ สมาธิอย่างนี้มันมีมาก่อนพุทธเจ้านะมันเอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนเด็กๆพ่อพาไปแลกนาแลกนากขวัญเดี๋ยวนี้ยังมีไหมแลกหนาหวัญยังทําอยู่ใช่ไหม เ, เจ้าสุทโธทนะไปไถนาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ใต้ต้นไม้พี่เลี้ยงหนีไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาหมุนท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธิ หายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวนะจิตรวมลงไปนะมีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่โลกธาตุหายไปไม่จริงความรู้สึกตัวเลยแล้วเสร็จแล้วพอโตขึ้นท่านลืมสภาวะอันนี้ไปเป็นธรรมดาถ้าคนไหนเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆชำนิชำ น, นานนะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยของเก่ามันเคยขึ้นมาเป็นคราวๆบางครั้งบางคราวของเก่ามันขึ้นมา แต่ว่าจะลืมไปอีกเจ้าชายสิทธัตถาก็ลืมไปอีกจนกระทั่งไปหัดทรมานกายก็ไม่สําเร็จนะเป็นนั่งสมาธิแบบลือสีก็ไม่สําเร็จท่านก็มานึกถึงอานาปนาสติที่ท่านเคยทําหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้ก็มาหายใจด้วยความรู้สึกตัวร่างกายหายใจอยูนะ่ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอใจท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะท่านถึงมาเจริญปัญญาต่อมาดู รูปนามมันทํางานมันปรุงแต่งตั้งแต่อวิชามันปรุงขึ้นมาจนถึงปรุงชาติปรุงภพปรุงภพปรุงชาติปรุงทุกข์ขึ้นมานี่เห็นการทํางานมาเดินปัญญาถึงบรรลุพระอรหันต์เพราะนถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์เพราะอะไรอย่าไปตอบว่าเพราะอานาปนสตินะตอบผิดอานาปนสติเป็นขั้นเตรียมความพร้อมของจิตให้ตั้งมั่น สงบด้วยตั้งมั่นด้วยไม่ใช่สงบแล้วเคลิ้มเคลิ ม, ลมสงบแล้วตั้งมั่นนะแล้วก็ใช้จิตที่สงบแล้วตั้งมั่นแล้วเนี่ยมารู้รูปนามท่านว่าอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ชาติมีอยู่ทุกถึงมีอยู่อะไรที่เรียกว่าชาติชาติก็คือการที่จิตมันไปหยิบฉวยเอาอายตนะคือหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวกูของกูนะทำไมมันไปหยิบฉวยขึ้นมานะจิตมันไปปรุงแต่ง การปรุงแต่งนะมันก็เลยเปกว้าขึ้นมาในความปรุงแต่งเมื่อหยิบเอาตัว อ, นนอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเราอันอื่นไม่ใช่เรามีเรามีเขา น, นี้แยกขึ้นมามีของเราของเขาขึ้นมาแล้วนะท่านกระดูทวนไปเรื่อยนะมีแต่เรื่องรูปประธรรมก็นา ม, มาทำตลอดสายเลยในอะไรปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนี่ยเพราอนท่านบรรลุพระอราหันต์เนีเพราะท่านเห็นความจริงของรูปของนามนั่นแหละแต่จิตที่จะเห็นความจริงของรูปของนามได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมัน่น เพราะนก่อนที่พวกเราจะเจริญปัญญานะเราอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนไม่ใช่ไปเดินรอยของฤาษีชีไพรนะซึ่งพระพุทธเจ้าท้าว่าเป็นความสุดโตง่งนะไม่ใช่ไปฝึกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งสมาธิแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อะไรนี่ยไร้สาระนะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่หาสาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้ สมาธิเลยมีสองจาพวกสมาธิที่จิตสงบไปเฉยๆเรียกสงบงโง่ครูบาอาจารย์บางทีเรียกว่าสมาธิแบบหินทับหญ้าเอาก้อนหินไปทับหญ้าไว้หญ้าตายหมดเลยบอไม่มีหญ้าแล้วความจริงไม่ใช่ยกหินออกเมื่อไหนหญ้าก็ขึ้นอีกเมื่อนั้นนั้นสมาธิสงบสงบงโง่โง่ไม่ไม่สามารถล้างกิเลสได้เอาไว้นอนเล่นแล้วก็เป็นกับดักที่สําคัญของนักปฏิบัติเลย คนจำนวนมากภาวนาคนะิดว่าต้องนั่งสมาธิแล้วก็นั่งให้เคลิมจิตสงบเคลิ้มหรือแทบจะไม่รู้สึกตัวได้ยิ่งดีหรือบางคนนะเคลิ้มไปแล้วก็จิตเคลื่อนออกข้างนอกไปไปเที่ยวนรกทเที่ยวสวรรค์ก็สนุกนะเที่ยวเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็มีข้อดีจะทำให้อยากทําบุญทําให้กลัวความการทําบาปมันก็มีข้อดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานคนละเรื่องกัน ก็ได้อย่างอื่นนะทําให้ถือศีลดีขึ้นอย่างเงี้ยไปแล้วโอเทวดามีจริงๆนะเทวดามีนางฟ้าเป็นบริวารเยอะบริวารไม่ใช่แปลว่าคนใช้นะคําว่าบริวารหมายถึงผู้แวดล้อมยอยู่ทําไมเทวดาองค์หนึ่งมีนางฟ้าแวดล้อมเยอะเราะผู้ชายไปตกนรกมากผู้หญิงขึ้นสวนรรค์เยอะโอในสวนรรค์นะตามหลักดีมานซับพลายแนละผู้ชายเลยค่าตัวแพงน ผู้หญิงต้องคอยเอาใจผู้หญิงต้องหลายร้อยเลยมีผู้ชายคนเดียวอะไรเงี้ยก็คอยเอาใจเลยนึกว่าเทวดานี่ยโอ้ดีนะสะวยสุขจำจริงมันหลักดีมานซัพพลายเท่านั้นผู้ชายมันลงนรกไปเกือบหมดนะ่ะ <c oughs> นี่เราเล่นนะฝึกจิตนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมเนือ้อลืมตัว ถ้เมื่อไหร่เราลืมเนื้อลืมตัวจิตหลงไปหลงไปคิดนั่นแหละมากที่สุดถ้าจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ถ้ารู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่สามารถเจริญตัญญาได้เพราะบอกแล้วว่าจะเจริญตัญญาจนได้มาผลนิพพานนะต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านยังรู้รูปนามเลยท่านเห็นอวิชชาเป็นอะไรอวิชชาเป็นโมหะเป็นนามธรรมใช่ไหม วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคืออะไรคือเจตนาที่ทำกรรมก็นะเป็นนามธรรมสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณก็เป็นนามธรรมวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่มีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมนะนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรม อายตนะเป็นปันจจัยของผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการกระทบอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นผัสสะเป็นนามธรรมผัสสะเป็นปันใจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นนามธรรมคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉเวทนาเป็นปันใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาคือตัวโลภะตัวความอยากความอยากที่มีกําลังแรงก็เป็นตัณหาตัวโลภะตัวตัณหาก็เลยเป็นนามธรรม ตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานเป็นอะไรอุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังแหลงกล้าโลภะที่แรงกล้านะกลายเป็นตัณหาตัณหาแรงกล้ากลายเป็นอุปาทานไม่ใช่อยากอย่างเดียวแต่เข้าไปยึดด้วยนะพวกนี้ก็เป็นนามธรรมนะอุปาทานทําให้เกิดภพภพก็คือการทํากรรมของจิตนั่นเองนะเป็นตัวเจตนาทํากรรมต่างๆนั้นะนะเป็นตัวนามธรรม พะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ในตัวชาติมีทั้งรูปธรรมนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขนะ์ทุกข์เป็นอะไรไปคิดเอาเองเ <laughs> ฉลยมาตั้งสิบเอตัวแล้ว <laughs> <laughs> เห็นไหมว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยถ้าเราใจลอย เรามีรูปธรรมคือมีร่างกายเราก็ลืมมันถ้าเราใจลอยหนีไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นามาทำทั้งหลายกําลังปรากฏอยู่ในตัวเราเราก็ไม่เห็นมันยังใจกําลังมีความสุขอยู่ไม่เห็นใจกําลังเพลิดเพลินไปไม่เห็นใจกําลังมีความทุกข์อยู่ไม่เห็นใจกําลังมีกุศลอยู่ไม่เห็นใจมีอกุศลอยู่ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวคาสมาธินั่นเองจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวนะ เรามาฝึกสมาธิชนิดที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ฝึกสมาธิให้ลืมเนือ้อลืมตัวให้เคลิ้มงอกงอกแ ง, ง, ง, งนะ๊วิธีฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหารมกรรมาฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไหมงั้นบทเรียนที่จะให้เกิดสมาธินี่พระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าจิตตสิกขา การที่ไปพิจารณากายอะไรเป็นขั้นเดินปัญญาก่อนจะไปเดินปัญญาด้วยการดูกายดูเวทนาหรือดูจิตหรือดูธรรมก็ตามต้องผ่านบทเรียนชื่อจิตศิกขาก่อนต้องมาเรียนรู้จิตนะจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับเนื้อกับตัวแบบแข็งแข็งก็ไม่ได้ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวแบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เพรา้นเราจงใจบังคับจะให้รู้สึกตัวห้ามเผลอห้ามเผลอบางคนฝึกกรรมาฐานนะพยายามเค้นตัวเองจะไม่ให้เผลออย่างจะหยิบเลยสักอันนะเกรงไปทั้งตัวเลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกอื <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งจะหยิบยาดมอย่างม่ถึงยาดมเลยพอดีขาดใจตายไปก่อนะะเออพยายามเดินจงกรมนะเกรงเกงเกรงจ้องจ้องจะไม่ให้เผลออย่าไปฝึกไม่ให้เผลอนจิตจะเผลอหรือจิตไม่จะไม่เผลอเนี่ยสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตา สติจะเกิดหรือสติไม่เกิดก็สั่งไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะจะไปบังคับตัวเองกลัวเผลออันนี้บังคับตึงไปสุดโต่งไปข้างตึงไปไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วเป็นจิตผู้ทุกข์ทรมานอยู่จิตผู้รู้แท้ๆต้องเป็นผู้รู้ด้วยผู้ตื่นด้วยผู้เบิกบานด้วยนะใจจะโปร่งใจจะโล่งใจจะเบาใจจะอ่อนโยนใจจะนุ่มนวลใจจะว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมเป็ทื่อ ถ้าเมื่อไรเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนะใช้ไม่ได้เรารู้ตัวได้เลยนะว่าใช้ไม่ได้แล้วนะต้องผ่อนคลายรู้ตัวไปอย่างสบายวิธีที่จะได้จิตที่เป็นผู้รู้นะหัดทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุตโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งคําว่าพุโทโธนะเพ่งการคิดพุโทโธรู้ทันนะหรือว่า หายใจ no อย perform, profiles, ู biết, grasp, ่นะจิตหนีไปรู้ลมหายใจก็รู้ไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นก็รู้หัดรู้ทันจิตไปเรื่อยทำกรรมฐานนันึึงขึ้นมาแล้วหัดรู้ทันจิตไปเรื่อยนะตรงที่เรารู้ทันจิตนั่นแหละจิตจะค่อยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาพอได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถึงขั้นเจริญปัญญาลวิธีเจริญปัญญานะดูไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู จิตซึ่งตั้งมั่นเป็น <native> ผ <rene> ู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ถ้ารู้ได้อย่างนี้มันจะรู้สึกในฉับพลันนั้นเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายนั่งอยู่ก็รู้สึกร่างกายนั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งอยู่นะมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะ เรงจิตต้องเป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้เราดูร่างกายกับจิตเป็นโคล่านกันกายกับจิตเป็นโคล่านกันพว๊บจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราละนั่งไปเรื่อยมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็ดูไปความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะปวดขาก็ความปวดมาแอบมาอยู่ในขาปวดหลังในความปวดแอบมาอยู่ในหลังดูไปความปวดไม่ใช่ขาความปวดไม่ใช่หลงังความปวดเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนานะ เพา้ความปวดไม่ใช่ร่างกายแล้วความปวดก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้เข้าทันทีที่จิตกับความปวดแยกออกจากกันมันจะเห็นทันทีว่าความปวดไม่ใช่ตัวเราอะไรมันปวดก็ความปวดนั่นแหละมันปวดหรือความปวดมันไปแอบอยู่ในขาถ้าสติปัญญาไม่พอก็ว่าขาปวดถ้าสติปัญญาน้อยกว่านั้นอีกก็ขาของเราปวดลงลดต่ําลงไปเอง ถ้ามีส ต, ติปัญญาก็จะเห็นว่าขามันปวดถ้าสติปัญญามากก็จะเห็นว่าขาอยู่ส่วนขาความปวดอยู่ส่วนความปวดไม่มีเราสักอันเดียวขาก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะถ้าปวดมากๆแล้วสติปัญญาไม่ทันนะใจทุรนทุรายแล้วอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถความอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถเกิดขึ้นที่จิตความปวดเกิดขึ้นที่กายเพราะฉะนั้นความปวดเกิดความกระสับกระส<ถ ingredients>่ายของจิตเป็นคนละอันกัน เราก็ดูไปความกระสับกระสายเป็นจิตสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันก็แค่ความกระสับกระสายนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเนี่ยหัดแยกไปเรื่อยนะเราจะเห็นขันห้านี่แยกตัวไปร่างกายส่วนร่างกายความสุขความทุกข์ส่วนความสุขความทุกข์นะความปรุงของจิตปรุงดีปรุงร้าย ก็ส่วนของความปรุงแต่งจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถ้าฝึกแยกขันอย่างนี้แล้วก็ดูขันแต่ละขันทํางานจะเห็นว่าทุกขันนั้นตกอยู่ใต้สภาวะอันเดียวกันคือตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นขันห้าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างท่องแท้นัจะเป็นพระโสดาบันรู้เลยไม่มีตัวมีตนที่ไหนได้มีแต่ขันห้าแต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้าดูต่อไปอีกก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมีแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่ทุก ขันห้านั้นจริงๆก็คือตัวทุกขนะ์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเพราะเห็นแจ้งว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์จิตจะสลัดขันห้าทิ้งไม่ยึดถือขันห้าภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็อยู่กันตรงที่จิตปล่อยวางขันห้าได้นั่นเองเพราะฉะั้นการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามนะในขั้นเจริญปัญญาแต่ก่อนเจริญปัญญาได้ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะตั้งมั่นได้ต้องฝึก จิตนี้ไปคิดคอยรู้จิตนี้ไปคิดคอยรู้เบื้องต้นรักษาศีลเอาไว้ก่อนไม่งั้นจะไม่มีทางมีตัวผู้รู้จริงหรอกนะ เ, เชิญไปทานข้าวนะ